พยายามกําหนดใจของตนไว้เราจะทําอะไรทั้งหมดให้พยายามฝึกให้มีนิสัยในการที่จะกําหนดจิตของตนแก่ก่อนก่อนจะทําอะไรการที่เราจะทําด่างกายก็ดีวาจาก็ดีจะพูดจะคิดจะทําอะไรออกไปนั้นให้มีการ ระลึกถึงใจของตนเองใช่ไหมให้ดูสิว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะทำอะไรออกไปกันมันก็ไม่ได้ทำไปโดยความเผลอเรอถ้าทำไม่ได้ความเผลอเรอแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าระมัดระวังอยู่เพราะว่าความปรารถนาดีความตั้งใจดีของเรามีอยู่ มันก็เลยไม่ได้ทำอะไรไปในทางที่มันเป็นบาปมันดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามที่ให้เรามีความตั้งใจตั้งใจไว้ก่อนเราจะเคยได้ยินหลวงปู่ท่านประเทศอยู่ล้ายกันทีเดียวว่าทำอะไรยังจะต้องเอาใจประกอบไปด้วยทำทานก็เหมือนกันทำทาน ถ้าเราจะให้สิ่งให้ของหรือให้ความช่ยเหลือนี่จะทำบุญทำกุศลอะไรก็แล้วแต่ละถ้าเผื่อเราให้แตโดยความไม่ได้ตั้งใจจะให้ น, นั้นก็เหมือนเราทิ้งไปทิ้งของต่างๆไปถึงแม้ว่ามันจะไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่เราก็ไม่ได้มีส่วนด้วยเลยไม่มีส่วนที่จะรับผลประโยชน์จากนั้น ทั้งนี้เพราะว่าจิตใจเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้ไม่ได้ตั้งต่อเรื่องนั้นไว้นั่นเองแท้ที่จริงแล้วเราให้อะไรให้สิ่งให้ของไปนะบุคคลที่ได้รับสี่งรับของเขาจากเราไปนั้นนะ่ะหรือว่าจากที่เราไปเอาวางไว้หรือเอาใหนะ้เขาได้รับไปแล้วเขาเกิดความเบิกบานยินดีเกิดความดีใจ เราไม่ได้รับรู้กับเขาบางทีคขานึกน้อมจิตใจมาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลให้แก่เราอยู่แต่เราไม่ได้สนใจเสียมันก็เลยไม่ได้รับทราบว่าเขามีความเบิกบานยินดีมีความรู้สึกเป็นบุญคุณแต่ถ้าเราได้ตั้งใจสนใจสังเกตเมื่อได้รับไปแล้วผู้ที่รับไปนั้น สิ่งของที่บังเอิญได้ไปจากเราเนะี้ยมีคุณค่าหรือว่ามีความเป็นประโยชน์แก่เขาเขาเกิดความรู้สึกจิตใจรู้สึกเป็นบุญเป็นคุณเราเบิกบานยินดีถ้าเราได้เห็นนะเราจะมีความจิตใจเจะเบิกบานด้วยยินดีด้วยร่มเย็นความว่าจิตใจร่มเย็นเบิกบานนั่นะนั่นแหละคือบุญนั่นแหละคือผล แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจเลยนะถึงใครเขาจะยินดีอย่างไรเราก็ไม่ได้รับรู้กับเขาอย่างมีเรียกว่าเราไม่ได้ผลอะไรการรักษาศีลก็เหมือนกันนะเราจะต้องเอาใจร่วมด้วยทุกอย่างต้องเอาใจร่วมด้วยรักษาศีลใ น, นทุกข้อะท่านบอกว่าศีลเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดนิสัยอันเลวร้ายนิสัยไม่ดีของเรา ีนี้ถ้าเราไม่ได้ทําความชั่วไม่ไทําความเลวร้ายแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ทํานะไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่บังเอิญมันไม่ได้ทําถ้าอย่างนั้นนะไม่ไม่เป็นการรักษาสิ่งแต่ถ้าเรามีความตั้งใจว่าเอาละเราจะรักษากอนีเราจะพยายามถึงแม้จะเคยทําสิ่งไม่ดีอันนี้มาก่อน รือว่าจะไม่เคยทําแต่เรารู้ว่ามันไม่ดีต่อไปนี้เราจะตั้งใจรักษาระมัดระวังตัวของเราไม่ให้ทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างชินห้าก็ดีชิ้นแปดก็ดีชินสิบชินสองรยี่สิบเจ็ดดีต่างๆที่ท่านบรรัญญัติไว้ท่านพูดท่านกล่าวไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะไปทําไม่ควรจะไปร่วมเกินเพราะมันเป็นความไม่ดีมันเป็นความเบียดเบียนเนี่ย เราตั้งใจรักษาไวเ้เมื่อมีความตั้งใจรักษาแล้วในที่สุดเราก็เป็นอันไม่ได้ทําจะด้วยเหตุไหนก็แล้วแต่แตเธอแต่ไม่ไม่ได้ทำโด้วยความที่เราระมัดระวังอยู่หรือด้วยความไม่ได้โอกาสจะทําก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ตั้งใจรักษาอยู่อย่างนี้ในที่สุดเราไม่ได้ทํานั่นจะเกิดความเบิกบานยินดีเกิดความร่มเย็นในใจ ถ้าสมมติว่าเกิดมีการเบียดเบียนรังแกกันขึ้นก็ไม่ไม่มีในเราในจิตใจของเราไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการขมเหงรังแก น, นั่นแหละมันจะเกิดความร่มเย็นขึ้นมาในนั้นอันนั้นเป็นผลของการรักษาศีลแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเลยนั่นมันไม่มีความเบิกบานยินดีในใจไม่มีความร่มเย็นในใจไม่มีความปราบริ่มปิติอะไรเลย อันนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นศีลนะเพราะฉะนั้นนี้จะต้องมีเอาจิตเอาใจร่วมด้วยนะตัณใจร่วมด้วยรักษาศีลการภาวนายิ่งเป็นการที่จะต้องกําหนดดูจิตดูใจของตนเองโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกําหนดทุกขัน้นทุกตอนะในที่สุดแล้วท่านมุ่ง มุ่งมาเล็งมาที่ใจของพวกเราทั้งนั้นนะให้ทานก็เหมือนการรักษาศีลก็เหมือนกั น, กก น, น, กนทุกเรื่ออย่างต้องมุ่งมาที่ใจมอดทุกอย่างจุดประสงค์ก็คือว่าจะให้จิตใจของเราเนี่เกิดความเบิกบานเกิดความร่มเย็นเกิดความปิติยินดีปรีดาเมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นละจิตใจมันน้อมลงอ่อนลง น, น้อมลงอ่อนลงจากความทั่ว อ่อนลงจากความเดือดร้อนความแข็งกร้าวแล้วอ่อนลงทีนี้พอมาถึงภาวนาอย่างสมถะสมถะเป็นการกำหนดพยายามกำหนดให้จิตใจลงสู่ความสงบโดยตรงบางทีเราจะให้คำวระพุทโธให้คำวาลมหายใจก็เพื่อจะให้จิตให้ใจเนี่มันอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจ เป็นการตั้งจิตตั้งใจว่าจะตะล่อมจะต้อนมาตรงนี้โดยเฉพาะจับเอาตรงนี้โดยเฉพาะก็ ني, เป็นเรื่องที่จะต้องตั้งใจอีกถ้าไม่ตั้งใจจะทําแล้วถ้าไม่ตั้งใจจะพุทโธแล้วมันไม่เป็นหรอกพุทโธพุทโธเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นเอาเราลองคิดดูตรงเนี้ยนยว่าพุทโธพุทโธนึกพุทโธพุทโธอยู่ปากพุทโธหรือว่าหายใจเข้าพุทนาโยตุ แต่จิตใจส่งไปกรุงเทพยบางทีมันก็ยังพูดโทอยู่ปากเนี่นี่อย่างนี้มันไม่เป็นพุโทโธมันไม่เป็นพุโทโธที่ใจถ้ามันเป็นมันก็เป็นอยู่แต่ปากเท่านั้นอย่างนี้ไม่ได้ผลนั่นนั่นจะต้องตั้งใจคิดว่าทำอะไรตรงมาเข้ามาเก็บที่ใจเพราะว่าความดีที่ทำเนี่ยเราทำความดีมันต้องเกิดมาเกิดผลขึ้นมาแน่ๆมันต้องเกิดไม่น้อยก็มาก ถ้ามันเกิดมาแล้วเราไม่เอาใจไว้รองรับมันก็ไม่มีที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นมันเก็บมันเก็บอยู่ที่ใจเราต้องเอาใจสั้งใจไว้นั้นการภาวนาจึงจะต้องมีกําหนดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปสร้สงตั้งใจกําหนดตั้งใจทํานั่นเองล่ะที น, นี้พวกกล่าวถึงว่าการภาวนาเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจโดยเฉพาะ กำหนดจิตกำหนดใจแล้วก็ยังไม่พอต้องฝึก น, นะต้องฝึกให้จิตใจนี่ที่มีนิสัยเพ่นพ่านกระสับกระสายเร่ร่อนไปกับอารมณ์ต่างๆให้เปลี่ยนนิสัยใหม่ให้เอานิสัยใหม่เอานิสัยให้อยู่นิ่งแทนที่จะกระสับกระสายแทนที่จะ กระโดดโลดเต้นไปนิร่องล อ, อยไปกับเรื่องต่างๆที่มาทางหู่างๆทางอะไรต่า ง, า ง, า ง, า ง, างๆนั่นน่ะทางจมูกรินกายใจไม่เอาเอาให้อยู่นิ่งๆ น, งนี่เป็นการฝึกฝึกให้อยู่นิ่ๆแล้วมีประโยชน์มากมายมหาศาลมีโยชน์มากมายมหาศาลแต่ทางโลกเขานั่นเขาดูเหมือนจะตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามเราเกิดมาก็ได้รับการเตี้ยมสอน ฝึกสอนอบรมจากสังคมในโลกนี่แหละในโลกที่เรามาเกิดนี่แหละอย่างเราเป็นคนไทยก็ในโลกในโลกประเทศไทยนี่แหละในสังคมประเทศไทยน่ะซึงเดี๋ยวนี้มันสังคมมันจะทะลุทะลวงถึงกันหมดแล้วจะเป็นสังคมโลกหมดแหละโลกเขานิยมอย่างเงี้ยให้เกิดมาแล้วให้คิดเพ่นผ่านไปเก่งๆวางแผนบางกลนอบายต่างๆ เขาให้คิดอย่างนั้นถ้าใครคิดเก่งคิดบ้องคิดไวเรียว่าเป็นเก่งเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแหละมันก็เลยเก่งตลอดเก่งอย่างนั้นเก่งเส้นผ่านทีนี้ความเก่งอย่างนั้นมันก็มีขีดจํากัดคือว่าการเวลาเนี่ยมันจํากัดมันจะทําอย่างนั้นอยู่ตลอดไปยกนึกอายุสี่สิบห้าสิบหกิบเจสิบปี มันก็เลยอยู่แต่อย่างนั้นอะ่ะเลยเก่งแต่เฉพาะการเพ่นผ่านไปเดี่ยวไปก็อารมณ์ต่างๆในที่สุจกลายเป็นคนมีจิตใจอ่อนแอจิตใจอ่อนแอคือจิตใจที่ไม่สามารถจะหยุดจะอยู่จะยั่งได้มีอารมณ์อะไรมาเกาะไปแล้วไปก็อารมณ์นั้นสิ่งไหนที่เราไม่ชอบที่ตนเองที่จิตที่ใจไม่ไม่ชอบไม่นิยมเนี่ยพอมากระทบปั๊บ เกิดความพุ่งส่านเกิดความพุ่งซ่านไปในทางเลือดร้อนไปในทางโกรธทางทางังทางต่อต้า น, นถ้ามีอารมณ์ไหนมาอย่างภาพสวยๆเสียงเพราะๆเป็นสิ่งที่ตนเองชอบพอมากระทบเข้าก็อเอาแล้วไปเจิดไปเจิงไปอีกและไปไปเกิดไปรักไปชอบอยู่นิ่งไม่ได้ ถ้มาอยู่นิ่งเนี่ยอย่างสมมติว่าเรื่องที่เราเคยเกลียดเคยชังเรื่องเราไม่ชอบเรื่องคนพูดจาโหกหากเราไม่ชอบเรื่องคนส่งเสียงดังเราไม่ชอบพอมากระทบปั๊บจิตใจเราเครื่องขุ่นทันทีนั่นนั่นหละแปลว่ามันไม่อยู่นิ่งมันไม่อยู่เฉยได้ทีนี้การที่เราฝึกเนี่ย ฝึกให้จิตให้ใจมันอยู่เฉยแม้กระทั่งอารมณ์อย่างต่างๆเหล่านั้นมามากระทบเราก็จิตเราใจเราจะนิ่งอยู่ได้ไม่เครื่อนไม่คุนไม่ฟุ้งไม่กระเด็นเราจะฝึกอันนี้ฝึกให้จิตใจอยู่ทีนี้การฝึกเนี่ยเราจะไปฝึกกับอารมณ์ที่มันรุนแรงเลยทีเดียวไม่ได้อย่างเราจะรู้ว่าถ้าจิตใจจะสงบแล้ว ถ้าจิตใจอยู่ในนี่มันจสงบมันดีเพราะฉะนั้นเราทำจิตใจให้อยู่นนนี่สิเราทำอย่างนี้ทีนี้จะฝึกเป็แบบไหนลองให้คนมาดา่าเอาเอาอารมณ์ด่าเอาเอารมณ์รุนแรงมามันฝึกไม่ได้จะไปใช้อารมณ์รุนแรงอย่างนั้นไม่ได้เราต้องพยายามใช้อารมณ์ที่มันพอดีรู้สึกว่าดีที่สุด เป็นมงคลซึ่งในพวกเราครูบาอาจารย์ท่านมักจะแนะนํำให้ใช้ธรรมะสัมมาอะระหังบ้างพุทโธบ้างกาหนดลมหายใจบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ปกติคือไม่เอียงไปนในทางไหนหนักไม่ได้เอียงไปนในทางน่ารักน่าชางังเป็นอารมณ์กลางๆปกติแถมยังจะเป็นอารมณ์ที่ จะทําให้เกิดความทราบซึ่งเกิดความเบิกบานในจิตใจด้วยอย่างเช่นพุทโธอย่างนี้คําว่าพุทโธนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นชื่อของพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแพระพระองค์นี้ด้วยเป็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าคือจิตใจของผู้ที่ท่านพระพุทธปฏิบัติดีสั่งสมบุนกุศลมาตั้งไม่รู้กี่กี่สงไขแสนกับอะไรท่านกับพระพุทธปฏิบัติของท่านมา ย่อมได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพุโทโธนี่จึงเป็นคําที่เกิดได้ยากนานนนจริงๆที่จะเกิดที่จะปรากฏมาสักทีเพราะฉะนั้นใ น, นลำดับถึงใช้คําเหล่านี้เป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจเบิกบานทําให้จิตใจร่มเย็นนี่เราจึงใช้อันนี้เพราะฉะนั้นการฝึกนี่ในที่สุดแล้วก็คือให้เราจะต้องฝึกให้จิตใจไม่เป็นพาน เมื่อจิตใจไม่เป็นผ่านแล้วมีประโยชน์อย่างว่าน่ะคือมันจะมีกําลังจิตใจของเราจริงๆมันทุกคนน่แหละมีความเป็นปกติอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าไม่เพ่นผ่านไปไหนมันได้หยุดมันได้ยั่งมันได้พักได้ผ่อนได้บ้างนะกําลังจะเกิดขึ้นมาทีเดียวทุกคนทุ ก, กจิตทุกดวงจะมีความเป็นปกติอย่างนี้คือถ้าได้หยุดแล้วก็รับรองแบบมีแรงแน่ๆมีกําลังแน่ๆน ถ้าเราได้หยุดได้ยัง่งไม่มากก็แรงกเกิดไม่มากแต่ถ้าจิตใจดวงไหนได้รับการฝึกฝนอบรมดีจิตใจอยู่นิ่งสงบนิ่งได้นานสงบนิ่งได้บ่อยสงบนิ่งได้เป็นปกติเป็นนิสัยจิตดวงนั้นจะมีกําลังมากจะไปทําอะไรก็ได้อย่างที่เราเคยได้ยินว่าหันหูทิพตาทิพ มีใจคิดรู้จิตรู้ใจคนอื่นรู้เหตุการ์่วงหน้ารู้เหตุการ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นกับเป็นกันล้วนจะเกิดจากจิตที่นิ่งทั้งนั่นจิตที่นิ่งแล้วมีคุณภาพอย่างนั้นเราจะโน้มไปเพื่ออะไรก็ได้แล้วก็จิตนี่แหละจิตที่นิ่งแล้วเนี่ยสามารถจนกระทั่งพาตนของตนให้พ้นจากคิดภัยของในโลกนี้คิดไัยของ กิเลสทั้งหลายจุดประสงค์เป้าหมายนั่นเราไม่ใช่ว่าจะไปเอาเก่งเรื่องมูทิพตาทิพ์อะไรอย่างที่ว่านั่นหรอกจริงๆแล้วเราจะไปให้ถึงที่สุดจุดพ้นทางสายนี้ถึงแดนอันเกษมคือความพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้พิเศษยังไม่พ้นทุกเนะยังไม่พ้นทุกเอาอย่างบุคคลหนึ่งภาวนาดี มีความรู้ความเห็นแปลกๆต่างๆรู้จิตรู้ใจของผู้ของคนเห็นเทวดงเห็นเทวดาที่มันเกินวิสัยของคนธรรมดาแต่พอถึงตอนหนึ่งมาเจ็บป่วยไข้ในที่สุดเพรจิตใจภาวะผวาระวังกระสับกระส่า ย, ยไม่เป็นอันจะได้กําหนดจิตที่เคยสงบก็สงบไม่ได้ก็ในที่สุดก็ถึงแก่กรรมไป หรือตายตายไปจิตใจก็แสบสา ย, สายดินลนดุลนดุนายเหมือนกันกับผู้ที่ไม่ไม่มีฤทธิ์มีเดชอันนั้นั่นสิ่งเหล่านั้นไม่ไม่ได้หมายความว่าเก่งไม่ได้หมายความว่าภาวนาดีพิเศษไม่ใช่ไม่ใ่อย่างนั้นจุดไหมที่สุดของพระพุทธศาสนาไม่้ต้องการให้แก่นั้นเราต้องการให้ไปถึงที่สุดของความทุกข์ทุกที่จะมาปรากฏนั่นนหะ มันทุกคนนั่นแหละจะ ต, ต้องมาปรากฏทั้งนั้นเจ็บไข้ใดปว่วยเอาเกิดมาแล้วเราไม่ต้องพูดละมันเกิดมาแล้วแกเนี่จะต้องเจอทุกคนทั้งที่ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดช ท, ทั้งผู้ไม่มีฤทธิ์มมีเดชอะไรก็ต้องแกต้องเจอแกต้องพบกับความเจ็บไข้ใดป่วยพบกันทั้งนั้นอ่ะแล้วจพบกับความตายคนที่มีฤทธิ์มีเดช กับผู้ที่ไม่มีลทิ์มีเดชไปดูกันตรงนั้นไปตัดสินกันตรงนั้นละ่ะว่าจะเก่งแค่ไหนจิตใจของตนเนี่ยจะยั่งไว้ไหมจะทรงความอยู่เป็นปกติได้ไหมในเมื่ออารมณ์อย่างนั้นมากระทบนั่นมันอยู่ตรงโน้นต่างหากอย่างนั้นสิ่งที่เราจะทํานี่คือปลกจิตฝึกใจของเราให้เป็นความสุขให้มันได้ เมื่อสูงลงสู่ความสงบแล้วต่อไปท่านก็ยังมีอีกนะวิธีที่จะพิจารณาอีกให้จิตที่สงบแล้วเนี่ยให้พิจารณาสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่มันมีความริงแอบซ่อนอยู่ที่นั่นซึ่งคนธรรมดาจิตที่ไม่ได้สงบไม่มีความสงบทำยังไงยังไงก็มองไม่เห็นความธรรมดานั่นมองไม่เห็นยังไงยังไงก็มองไม่เห็น เราอาจจะมีความนึกคิดว่าทำไมเราจะไม่รู้ก่อเราฟังหลวงปู่เทศลราก็รู้แล้วมันเป็นอนิจจังเราก็รู้อยู่เนี่ยเราก็ยอมรับอยู่เป็นทุกครั้งก็ยอมรับเป็นอนัตตาก็ยอมรับอยู่แล้วมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ยอมรับอยู่ว่ามันเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาทำไมเราจะไม่รู้เอาจิงๆแล้วพอถึงเวลามัน ถึงที่สุดจริงๆถึงความแก่จริงๆเก็บใค่ได้ป่วยจริงๆแล้วในจิตจิตข้อไหนในจิตจริงๆมันไม่รู้มันไม่ยอมรับ้ยอมเราพูดนี่เรายอมรับหรอยอมรับอยู่ในแต่หัวสมองเรานี่เท่านั้นแหะหัวสมองนี่เท่านั้นแต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นจริงๆแล้วึนหัวสมองมันก็มีเหตุมีผลอยู่ว่าคนเราต้องแก่ทั้งนั้นเน่ะ แก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทั้งนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยในเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในัสมองไม่อาจจะคิดได้แบบนั้นแต่ว่าในใจมันไม่ยอมนะในใจไม่ยอมในใจบอกยังจะต้องเอาหายยังจะต้องเอาไม่เจ็บนะอันนั้นแสดงว่าใจนั่นนะมันยังไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรหรอกยังไม่เก่งอะไรตัวคือความเป็นอนิจจังหรือความเป็นปกติของเจ็บไข้ได้ปวดนะ่วยนั่น มันยังไม่เกิดมันยังไม่มีในใจจริงๆนั่นลหละพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยภาวนาว่าจิตใจสงบดีแล้วอย่าเพิ่งนึกว่าอย่าเพิ่งนึกว่าหมดแล้วนะยังยังจะต้องทำยังไงให้ความคิดความอ่านในเกี่ยวกับสีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่มันจะมาทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆให้มันเข้าไปสรุปผลอยู่ในใจให้ได้ไม่ใช่ว่า ให้สรุปแต่แค่อยู่ในเหตุในผลในหัวสมองนี่ไม่ได้แค่นั้นไม่ได้แค่นั้นไม่พ้นแน่นอนต้องกําหนดให้มีจิตใจยอมรับอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องทําความสงบเมื่อสงบแล้วพิ จ, จรารณาเมื่อพิจารณาแล้วจิตใจมันสงบพอดีมีสติสทั้งปัญญะมีสมาธิพอดีพอดีแล้วพิจารณาเลยไม่ใช่ เกิดความสว่างเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจแลกว่ารกระจางในใจขึ้นมาในนูน้นความรู้จักในเรื่องนั้นๆที่กระจางขึ้นมาในใจิตในใจจริงๆนั้นมันจะมหาสาลสิเดียวมันจะกว้างขวางลึกซึ่งละเอียดละออยิ่งกว่าที่เราได้ยินได้ฟังหรือว่าเราคิดจากหัวสมองนี่มากมายนักและมีความทราบซึ่งมีรสมีชาติด้วย เหมือนอย่างกับที่เราไปเห็นมะม่วงเห็นเป็นมะม่วงแล้วเราก็คิดเราก็ได้อ่านเราได้รู้จักคนนั้นพูดคนนี้เล่าให้ฟังอย่างเนี้ยว่าม ะ, มะม่วงมันมีรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้มันมีรสหวานแล้วกลิ่นหอมอย่างนั้นอย่างนี้เนะี่ยแต่ว่าถ้ามันเกิดธรรมะขึ้นมาเองในจิตแล้วเกิดความยอมรับขึ้นในจิตในใจจริงๆแล้วจะเหมือนกับว่าเรา ได้รับประทานมะม่วงอันนั้นเลยมีรสชาติมีอะไรพร้อมเสร็จอยู่ในนั้นเข้าใจอยู่ในขณะเดียวนั่นเลยว่ามันทั้งหอมทั้งหวานทั้งอเอลึกอร่อยมันทราบซึ่งมันมีรสชาติปรากฏขึ้นมาจริงๆอย่างนั้นอันอย่างนั้นจึงจะได้ประโยชน์จริงก็เหมือนคนกินมะม่วงแหละกับคนได้ไ ด, ได้ได้ฟังเรื่องมะม่วงเฉยๆนั่นแหละคนที่ได้รับประทานมะม่วงได้กินมะม่วงนะอันนั่นคนนั้นได้รับประโยชน์ จิตของเราเนี่ตรองเงินกันทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วถ้าเราเร่งทําประพฤติปฏิบัติให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าไปที่อยู่ในจิตในใจจริงๆอันนี้แหละเราจึงจะได้ประโยชน์ลองพิจารณาดูเถอะในทุกสิ่งทุกเรื่องนั่นแหละถ้ามันอยู่แค่หัวสมองเนี่ยบางทีเราคิดว่าเราจะไม่โกรธไม่เครืองแล้วนะเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วโกรธโอ้ยเป็นฟืล น, น, นเป็นไปทีเดียวอันนั้นเรียกว่าจิตใจมันยังไม่ยอม มันยังไม่เกิดไม่เป็นในใจมันเป็นก็เป็นในในหัวสมองนี่มันดีแค่เอาไปเทียงกันแล้วน่นนะแค่เอาไปยกไปข่มท่านว่าเราพ้นแล้วเราหมดกิเลสแล้วเท่านั้นนะ่ะความโกรธเราไม่มีแล้วเอาไปเทียงกันเท้าน่ะแหละแต่เวลามันเกิดมาประสบมาจริงๆใจไม่ยอมใจยังขุนยังเคืองอยู่นี่เราต้องเอาไปปลูกเอาไปปลูกเข้าไปในใจหน่นธรรมะนี่จะได้ อดอร์พันี่เราฟังเทศเของหลวงปู ก, กันให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันพร้อมอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมที่จะมีคุณธรรมอยู่นะให้ตั้งใจอย่างนั้นเราจะมีกําลังจิตกําลังใจหรอกทุกสิ่ ท, ทุกอย่างที่มันเกิดมีในธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้เพื่อใครอื่นหรอกเพื่อเรานี่แหละเรานี่แหละจะเป็นผู้เก็บผู้กรรมผู้ได้แต่ถ้าใจิตใจเราไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังไม่ตั้ง อ, อกตั้งใจกรรมกดอยู่ในนี้แล้วก็ะ มันจะมีมามีประโยชน์เท่าไหร่แค่ไหนมากมายก้อนใหญ่ก้อนเล็กมันก็ไม่มีที่เก็บมันก็ทิ้งเรียราาจุดในโลกนี่แหละในธรรมชาตินี่แหละมีทั่วไปหมดเราก็ผ่านการเวลาไปเจอๆไม่ได้อะไร